ถ้าฝนตกคิดเห็นอะไรเด่ดออกคิดเห็นอะไรที่เป็นประโยชน์ถ้าเราชาวนาชาวไร่กอไม่ช้าไหวมือไหวเท้าเข้าไปเจือบจะเดินไม่ได้ถ้าฝนตกต้องวิ่งล ง, ท, งทุ่งล่าทุ่งไร่ของตน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 น้อยชานาฝนตกก็ไหวถ่ปิดทั้หนาทางไร่ให้น้าไหลเข้านาถ้ามหนท่วมก็เปิดออกเราทุกเสียงว่าเราไม่มีความรู้หาวัวประกอบววๆให้มันทันเวลาถ้าทุกึนเป็นทุกเป็นวิบากเปนนนกน็นกิเลสนั่นก็นั่นก็หดแห้งไปแล้วแทนที่จะได้ก็เลยไม่ได้ งั้นชาวนาไววมือก็ได้พืดได้ต้นก้าขนตกปองเห็นต้นก้าต้นข้าวต้นฟ้ายต้ น, นแตงของอยู่ของกินต้องหลุมเสร็จแล้วคนได้ชาก็ไม่ได้ลงหลุมลงดินเลยโอ้แต่โอ้เอเอยู่โบลานท่านว่าสิบต้น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 ไม่มีอะไรจีนเพราะชื่อเกียร์ชี้คันหลงก็เลยเป็นหลงตอนชื่อเกียร์ทุก็เป็นทุกโกรธเป็นโกรธดีใจเสียใจหรือว่าไม่มีไม่มีไม่มีอะไรใช่อะไร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 ต่อสุขภาพร่างกายต่อชีวิตในเลื่อดในเนื้อตัวไม่เป็นอะไรมันเป็นทั้งหม ด, มหมดเป็นทั้งศีลเป็นทั้งมรรคเป็นทั้งผ ล, ผลเป็นทั้งบุญกุศล<น>แล้วก็ทำอะไรได้ไดคนที่อิม่มคนที่อิ่มก็ไม่เกียดคานนะคนหิวต่างหากทำอะไรไม่ได้ นั่งงอมือขอก็อจะให้ก็พอได้กินถ้าใครไม่ให้ก็ไม่ได้กินต้องมีวิธีทา ม, มุุทิศเปตะบาลิชิตุปิชีวีเปิดอาศัยอุทิศส่วนมุกุศลให้เป็นหวังหน้าบวหน้าไม่เชียงจัง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 เป็นอันตรายต่อสังคมเนี่ยจึงมาประ ก, กันพวกเราม า, รกกมารเระกรรมาฐานอยู่ได้ดเราอยู่วัดวาลามีสถานที่มีเพื่อนมีมิตรมีประเพณีมีศิลธรรมวัฒนธรรมของคนไทยอมนวยให้เราได้ทาประโยชน์นี่มากที่สุดคนอยู่วัดเป็นคนมีศักษศรี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 เราหุนก็มาบวชอานุทักษออกมาบวชอานุนออกมาบวชแล้วก็งานทะออกมาบวชเห็นประโยชน์จนพระสุทตุพเจ้าทูลท้าขอร้องจะทำเรื่องนั้นเถอะ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 อานอนาหวังจะให้ึืบสกุลเอาไปบวชอีกพ่อก็เสียใจนุรุธาโดพี่โรกน้องหวังเป็นเจ้าจากักรพรรดิแทนก็เอาไปบวชพ่อก็เสี ย, จยใจกาจะบวชกุบลบวรลูกหลานใครให้ขอญาตจากพ่อจากแม่ก่อนเถอะ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 กรรมาฐานก็มีจริงกายก็ไม่จริงเวทนาก็ไม่จริงจิตก็ไม่จริงตรรมก็ไม่จริงเจอเข้าเรื่องนี้จริงจริง เ, รเห็นมันก็เจอคืจริงมีอะไรเกิดขึ้นอะไรกายใจในชีวิตเราเจอทุกอย่างมันไม่ลบไม่ลืมหมอแสดงให้เราเห็นนี่มันคืออะไร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 เห็นต้นไม้เป็นบ้านเป็นเรือนเป็นถือเป็นเสาเห็นไม้งอเอามาทำคาททาไถททำแบกเห็นต้นไม้ต้นไหนที่เป็นเชือกเป็นปลอกมาทาเชือกผูกวัวผูกวายเห็นผักที่มันกินได้เก็บมาเห็นเห็ดที่มันกินได้เก็บมามันก็เป็นมาะโยู่ถ้ามีความรู้มีการศึกษาชีวิตของเรามันประเสริฐที่สุด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 มันต้องมีแน่นอนไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บ ม, ม, มีตายประกอบไว้แล้วก็ถึงที่มันเกิดมันก็เห็นอยู่มาให้เราเห็นนี่คือความไม่เที่ยงนี่คือสตินี่คือหลงนี่คือทุกนี่คือไม่ทุกนี่คือความมัวงเมาห้อนอนนี่คือความคิดลังเลสงสัย นี่ความคิดพุ่งซ้อนนี่คือราคา้าอายุบาดถีนามิเตะง่งเหงาหอนมันฉายให้เราเห็นมันทีมันติดมันติดมาทุกซนอะไรมาก็ติดเรื่องนั้นจะลิดราค้าจะลิดออกนั่งออกตากโตชัยจะลิด ความโกฏิขอน้าอตาโอ้โหจะดความดุงองหน้าออตาโชว์ไม่มีความรู้ก็มไม่ได้โชว์นี่แต่เขามาตั้งเวทีโชว์ในชีวตของเราสิบชาติก็ออยังโชอยู่สิบปีห้าสิบปีร้อยปีก็โชว์ถลังนี้จนตายบางคนจะตายแล้วยังโกรธมวลเวลไปใกล้ไม่ได้ แล้วเข้าใกล้ก็ต้องกรอบต้องขานเข้าไปโอยจะด่าคอยจะว่าอยู่ก็มีมันมีโทสะจลิตจิตแป็งอะไรเส้หมองทุกขาปฏิปทาจิตเตจังกะลิเททุกขติปฏิกังขาเมื่อจิตมันเส่าหมองทุกขติกี่พบกีชาติก็ไม่รู้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 นราจึงมีสติเนี่ยมันจะไม่เป็นอะไรกับอะไรเป็นชีวิตรุ่นล้นเรวเนี่ยไม่หวั่นไหวในทิศทั้งปวงเห็นมันมาให้เราเห็นเห็นรูปเห็นนามเป็นธรรมชาติของรูเปเห็นธรรมชาติของนามตามความเป็นจริงแต่ก่อนเรียกว่าฉุกเรียกว่าทุกภาษาบาลีเรียกว่าเวทนา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 ไม่สติไม่ปัญญาไม่เอามาสุขไม่เอามาทุกข์เป็นอาการผิวผิวเผลอตกอยู่ในความไม่เที่ยงรูปนามนี่ความเป็นทุกข์วามไม่ใช่ตัวตนรูปนามนี้ยึดถือไม่ได้ไม่ใช่ตัวใช่ตัวนอลายมันมันเป็นใหญ่ในความไม่เที่ยง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 แล้วลาเจียงนี้เกิดขึ้นข้ามไหมหรือว่าค้อยเอียงไปตา ม, มาแล้วก็หัดตนสองตนก่อนที่จะข้ามต้องพึ ก, พกมีสติไว้เป็นโทนก่อนถ้ามีถ้าไม่มีสติก็ง่ายแล้วบางคนลอยล่า ม, มาเป็นก็จมคนว่าน้าเป็นก็มมไม่ค่อยจมถ้าไม่ฝึกมีสติ เวลามันหลงก็หลงล ง, ง่ายรู้ยากทุ ก, ก็ทุกง่ายง่ายงนทุกยา ก, ยากทุกวันก็เสียเอาไม่ไหวเอามาอยู่เอามาอยู่แล้วก็ได้โกรธออกมาอยู่เกิดมาเดินกูเขมาอยู่มีเหมือนกันเดีวคนโกรธดึงไว้ก็มาอยู่หนะ ล, ลุดมือไปตีกันจนฆ่ากันได้แล้วมันมันไม่ได้หัดทนสอน เนะอะเอนายไ ห, ไหมฟังธรรมนี่ยอาตาเดียวเ <laughs> ลยจะฟังอมกัน